แสงแห่งทิพยะจากสุตอนที่เจในตอนท้ายของเรื่องอำนาจจิตตอนที่หเขาพรเจ้าได้พูดถึงว่าโดยปกติคนที่มีสมาธิดี น, นั้นจะต้องเห็นแสงที่เกิดขึ้นในใจของตนซึ่งแสงที่ว่านี้เกิดจากจิตนั่นเองและถ้าแสงนี้สว่างมากเหมือนกับแสงสว่างในเวลากลางวัน ยามท้องฟ้าปลอดโปรง่งไม่มีเมฆเลยก็จะสามารถเห็นอะไรต่ออะไรได้คือเห็นในสิ่งที่ตาธรรมดามองไม่เห็นเช่นเห็นพวกวิญญาณหรือโอปปาปิกะทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจึงใคร่ที่จะทิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะ ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอ่านข้อความในพระสูตรดังต่อไปนี้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าถึงประสบการณ์ของพระองค์ว่าพระองค์ได้ทรงฝึกอย่างไรจึงสามารถเห็นพวกเทวดาทั้งหลายได้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ภูเขาเหินพื้นราบแห่งหนึ่งชื่อว่าขยาศีรษะใกล้หมู่บ้านขยา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 พยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นอีกครั้นแล้วเราก็รู้จักเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพนิกายนั้นเทพนิกายนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้จุติจากที่นั้นหรือที่นี้แล้วจะไปเกิดในที่ไหนและด้วยวิบากของกรรมอะไรครั้นแล้วต่อมา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 เราจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากเราจะพึงรู้ด้วยว่าเราได้เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ในครั้งก่อนด้วยหรือไม่ญาณทัศนาของเราอันนี้ก็จะพึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นหนึ่งครั้นแล้ว เราก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้สองเห็นรูปทั้งหลายได้สามอยู่ในสมาธิเจรจาไต่าถามกับเทวดาทั้งหลายได้สีรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพนิกายนั้นเทพนิกายนี้ห้ารู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้จุติจากที่นั้นที่นี้ แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้ด้วยวิบากของกรรมอย่างนั้นอย่างนี้หรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เจรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอายุยืนนานเท่านี้แปดและรู้ว่า เราได้เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ในครั้งก่อนด้วยหรือไม่ภิกษุทั้งหลายทธิเทวญาณทัศนะซึ่งมีปริวัติแปดของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงใดเราก็ไม่ปฏิญญาว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ในเทวโลกในมารโลกในพรมโลก ในหมู่ประชาซึ่งมีทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อธิเทวญาณทัศนะซึ่งมีปริวติแปดของเราบริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญญาว่าเราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ในเทวโลกในมาราโลกในพรหมโลก ในหมู่ประชาซึ่งมีทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและยาณทัศนะได้บังเกิดจากเราด้วยว่าใจของเราได้หลุดพ้นแล้วโดยเด็ดขาดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อแต่นี้ไปการเกิดใหม่ไม่มีอีกข้อความที่คัดลอกมาให้อ่านนี้แปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่23หน้าส1มริ ซึ่งมีชื่อว่าอังคุตรนิกายนวากะนิบาทนอกจากนี้ยังมีข้อความในพระสูตรอื่นๆอีกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าถึงการปฏิบัติของพระองค์ให้พระภิกษุทั้งหลายฟังและทรงชี้ให้เห็นด้วยว่าการที่ในบางครั้งไม่สามารถจะเห็นพวกเทวดาทั้งหลาย และไม่อาจจะเจรจากับพวกเหล่านี้ได้ตามความต้องการตลอดถึงบางครั้งก็ไม่อาจจะทราบเรื่องราวโดยละเอียดของพวกเหล่านี้ได้นั้นเป็นเพราะเหตุอะไรบ้างซึ่งเรื่องดังที่กล่าวนี้มีอยู่ในอุ ป, ปั ก, กิเลสสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบหน้าสามสองข้อความในพระสูตรดังที่อ้างมานี้ข้าพเจ้าได้ยกมา ไม่ใช่เพื่อจะที่บายเรื่องทิพยจักษุแต่ต้องการจะเชี่ยเห็นว่าแสงสว่างที่ปรากฏให้เห็นในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นเป็นของมีจริงและเกิดจากอะไรส่วนประโยชน์ที่จะได้รับจากแสงเช่นว่านี้มีมากมายคือไม่ใช่เฉพาะแต่จะทำให้เห็นพวกเทวดาทั้งหลายเหล่านั้น แต่สามารถจะนำไปใช้ทาประโยชน์ได้สารพัดเช่นใช้ในการสะกดจิตใช้ในการรักษาโรคต่างๆและยังใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำอีกด้วยแต่ทั้งนี้หมายความว่าสมาธิต้องได้มาตราฐานจริงๆถ้าจะมีอะไรบกพร่องไม่มีความแม่นยำ ก็เนื่องจากสมาธิยังไม่ดีพอเท่านั้นอันหนึง่งเนื่องจากคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นต่ำหรือสูงสุดเพียงไรย่อมจะมีแสงออกจากตัวด้วยกันทั้งนั้นซึ่งแสงที่ว่านี้จะเห็นได้เฉพาะคนที่มีสมาธิดีจริงๆเท่านั้นและจากแสงที่เกิดจากตัวคนนี่แหละสําหรับผู้ที่มีสมาธิ ถึงขั้นเห็นแสงสว่างในใจของตัวอย่างชัดแจ้งนั้นจะสามารถบอกได้ว่าในตัวคนไหนมีโรคอะไรเป็นที่ตรงไหนเพราะรังสีที่ออกมาจากคนที่มีโรคนั้นไม่เหมือนกันและออกมาจากตรงไหนเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของโรคอะไรก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยเรื่องรังสีที่ออกมาจากตัวคนนี้ คนส่วนมากยังไม่มีความรู้และมักจะไม่ค่อยเชื่อกันว่ามีสาเสียด้วยซ้ำไปแต่อย่างไรก็ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เอาไว้มีโอกาสดีๆข้าพเจ้าจะเขียนอธิบายเรื่องนี้ออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งโดยเฉพาะขณะนี้ขอให้เข้าใจเพียงเท่านี้ก่อนแต่อย่างไรก็ดีขออธิบายคำว่า อธิเทวญาณทัศนะสักเล็กน้อยก่อนเพราะยังไม่ได้อธิบายเกรงว่าผู้อ่านโดยทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจคำนี้คำว่าอธิเทวญาณทัศนะแปลว่าญาณที่รู้เห็นเรื่องเทวดาทั้งหมดและรู้เห็นยิ่งกว่าพวกเทวดาทั้งหลายอีกด้วยคือแม้แต่เทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในระดับสูงสุด ก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆของเทวดาทั้งหลายเหมือนกับพระพุทธเจ้าและที่ว่ามีปริวัติแก็เพราะยานอันนี้ได้เกิดทีละขั้นหรือทีละรอบดังที่ได้กล่าวมานั้นปริวัติแปลว่ารอบหรือขั้นตอน